ตั้งแต่วันนี้เธอไม่พึงอ้างพระผู้มีพระภาคว่าเป็นรรสาวซาดาและเธอจะไม่มีการนอนร่วมกัน 2-3 ถึงคืนกับภิกษุทั้งหลายเหมือนสมรุเทศเหล่าอื่นได้เธอจงไปที่อื่นเธอจงไปให้พ้นก็ภิกษุได้รู้อยู่ก็ยังปลอบโยนสมรุเทศผู้ถูกสงนาสนะแล้วอย่างนั้นใช้ให้เธออุปถากคบหาหรือนอนร่วมต้องอบัตปาจิตตี เรื่องสมุทเทศชื่อกันตะกะจบ